คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันเวลามีเหลือกันเท่าไรคนเราจะมีลมหายใจอีกกี่ครั้งใครจะรู้ ชุดเปนี่นไ